ขอกาสประจันทรงศีลแล้วก็หมุตทรงะจะเดินในธรรมทุกท่านเนาะอขอากาสพูดนิดนึงนะไม่ได้มาทำวัดที่นี่หลายวันน่าจะเป็นเกือบเดือนอพอดกีก็มีบวชเนรนะเนาะบวชเดรนข้างนอกที่ซาลนาแล้วก็มีไปสอนที่อื่นบ้างนะแต่อีกสักพักหนึ่งแล้วก็ เราก็เก็บอารมณ์อีกนะกิจกรรมที่สุกโตก็ต่อเนื่องนะต่อเนื่องทั้งปีมีหลายกิจกรรมมีหลายโครงการนะแต่ก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจิตกันทั้งนั้นนะรูปแบบอาจจะแตกต่างกันไปบ้างหมูนะ่คนกลุ่มคนอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะแต่รวมรวมกันที่ไหนเรื่องการฝึกจิตนะเรื่องการฝึกจิตกันทั้งนั้น ทำไมเรต้องมาฝึกจิตนะเพราะว่าจิตนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโดนกิเลสเขาย้อมนะโดนกิเลสเขาครอบงํามาเนเลื่นนานหลายปีอ่าหรือว่าจะหลายชาติก็ว่าได้ดังนั้นการฝึกจิตก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยนะอาศัยการขัดการเก่านะความภาคเพียนนะอาศัย คูบาอาจารย์ช่วยบ้างอาศัยสถานที่ช่วยบ้างอาศัยตัวของเราเองช่วยบ้างนะหลายส่วนช่วยๆกันไปนะเพราะว่าจิตใจนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบจิตใจของเราถ้ามันไม่ได้ฝึกมันก็จะค่อยต่ำลงเหมือนกับกระแสน้ำเหมือนกับแม่น้ำแม่น้ำไม่ ไ, ไหลขึ้นสู่ที่สูงนะถ้าไม่ใช่น้ำที่มีแรงดันจากสิ่งที่เป็นมนุษย์ประดิษฐ์นะ แต่ธรรมชาติแล้วน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำจิตของคนเราหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นจิตที่ไม่ได้ฝึกแล้วย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำทั้งนั้นทั้งนั้นคนส่วนใหญ่คิดนะมักจะคิดเองว่าต้องรอให้แก่ก่อนนะหรือว่าต้องรอให้มีอะไรพร้อมก่อนนะค่อยมาฝึกจิตจะดีกว่านะหรือบางคนชอบอ้างว่านะ ตอนนี้นะยังมีกิเดสมากนะตอนนี้ยังมีพาระมากตอนนี้ยังมีนะเครื่องผูกพันมากยังขอโอกาสที่ยังไม่ฝึกดีกว่าเราให้ไม่มีสิ่งเหล่านั้นค่อยมาฝึกมันจะไม่มีได้อย่างไรนะมันก็ต้องไม่มีเกิดจากการที่เราต้องละต้องวางต้องลดด้วยตัวของเราเองนะมันถึงจะไม่มีนะกิเดตมันจะไม่มีด้วยตัวของมันเองเป็นไปไม่ได้นะมันมีแต่ต้องเรารู้เท่าทันกีเดต กิเลสมันถึงเล่นงานหรือว่าทําร้ายจิตอ่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะหายไปเองมันไม่มีนะฉะนั้นการฝึกจิตก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญนะแต่การฝึกจิตนะบางทีมันก็จิตมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บังคับไม่ได้นะบังคับไม่ได้ความคิดอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมันก็เกิดเพราะมันมีเหตุทําให้เกิดนะทางตาทางหูทางจมูกทางดิ้นทางกาย กระทบมาสู่ใจมักนก็เก AH so ิดเกิดอารมณ์เกิดความคิดเกิดความรู้สึกต่างๆมันก็มีเหตุให well ้เกิดเราจะทําแบบไหนเราก็รู้ทันว่ามันเกิดแล้วก็ไม่สร้างเหตุให้มันเกิดต่อก็แค่นั้นอ่าเรารู้ทันว่ามันเกิดขึ้นแล้วเช่นความโลภเกิดขึ้นก็รู้ว่าความโลภเกิดขึ้นไม่ไปทําตามความโลภต่อหรือว่าไม่ไปปรุงอารมณ์ต่อจากความโลภเช่นทําตามความโลภบ้างหรือว่า กดข่มความโลภ บ, บ้างนะไม่พอใจที่มันคิดโลภ บ, บ้างอันนี้คือเราไปปรุงต่อนะที่จริงเรามีหน้าที่เพียงแค่รู้เท่าทันนะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นเท่านั้นนี่คือการมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจรู้ไปเรื่อยๆนะทำได้ขนาดไหนนะก็ก็เรียกว่าพยายามทำเป็นประจำตั้งแต่เช้าจนค่ำนะแล้วก็พยายามฝึกตรง น, นี้ให้มันได้เยอะๆนะ มันจะได้ขนาดไหนชาตินี้จะได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราดูดูทุกสิ่งทุกอย่างเนาะให้มันมีแต่สภาวะที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงทั้งนั้นสภาวะที่ไม่เที่ยงสภาวะที่บังคับไม่ได้หรือว่าดูทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะที่เรียกว่ามันมีแต่ความทุกข์อยู่เท่านั้นนะทุกข์เพราะว่ามันไม่สามารถอยู่ในสภาวะเดิมได้มันก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงไปนะมันมีเหตุมีปัจจัยนะ ไม่ใช่เราจะบังคับหรือไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปเราดูลงไปนะปฏิบัติธรรมดูลงไปให้เข้ารวมถึงไตรลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างนะเราไม่ใช่ดูแค่การเคลื่อนไหวนะของกายก็ดีดูการเคลื่อนไหวของจิตก็ดีแต่ดูแล้วต้องนะเรียกว่าทําความเข้าใจถึงความไม่เที่ยงถึงความเป็นทุกข์ถึงสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราด้วย อันนี้คือเราต้องดูให้เกิดปัญญาตอนนี้นะบางทีนักปฏิบัติบางทีภาวนาไปแล้วพอใจแค่ความรู้สึกนะรู้สึกตัวที่มันเบาๆที่มันสบายที่มันว่างๆนะที่มันเฉยๆอยู่แค่นั้นนะแล้วก็คอยประคองตัวเฉยนะหรือว่าคอยประคองตัวรู้หรือว่าคอยประคองตัวเบาคอยประคองตัวสงบนี้ไว้นะ ส่งจิตมาอยู่กับอาการตรงนี้แล้วก็ไม่อยากที่จะไปรู้อย่างอื่นนะอาจจะอาจจะรู้กายอยู่แต่ก็รู้แบบแบบคล้ายๆนะรู้แบบมีเกาะมีชั้นนะหุ้มไว้นะเอาจิตไปอยู่กับความสบายนะแล้วก็เห็นแต่อย่างอื่นมันเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะถอนออกมาเห็นอารมณ์เห็นความคิดหรือบางทีก็ไม่ชอบให้มันคิดได้ซ้าไม่ชอบให้ป็นปุงได้ซ้าเพราะว่าอะไร รู้สึกว่ามันไม่ดีรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่แท้ที่จริงแล้วนะการที่เราจเจริญสติน ะ, จะเจริญสติเราไม่ใช่พอใจเพียงแค่ความสงบเพียงแค่ความสุขหรือเพียงแค่ความสบายมันเป็นเพียงแค่ทางผ่านนะเมื่อเรามีอาการเช่นนั้นนะอย่าไปประคองตัวรู้สึกตัวไว้นะปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาบ้างปล่อยให้ความคิดมันเกิดขึ้นมาบ้างเกิดขึ้นมาแต่ไม่ใช่ทําตามมันนะ เกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะ ร, นนนรู้ทันความคิดเกิดขึ้นรู้ทันความคิดอารมณ์เกิดขึ้นรู้ทันอารมณ์ไม่ต้องกดข่มไว้นะการทำทช่นี่จะเป็นการชำระจิตให้ขาวรอบจะเป็นการศึกษานะความจริงว่านะกิเลสมันเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะเมื่อหมดเหตุมันก็ดับไปนะน่ะมันจะเห็นแม้แต่กุศลก็เหมือนกันความสงบก็เหมือนกั น, นเกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อหมดเหตุมันก็ดับไปเช่นเดียวกันเราเห็นตรงนีน้เห็นว่าทุกสิ่งท้งอย่างมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นดูไปเรื่อยๆนะจนทั้งเราเท่าที่ดูได้จนทั้งหมดลมหายใจนะมันยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานก็ช่างไประไรนะแต่เราดูเราทำเหตุที่มันถูกที่มันสมควรแล้วเมื่อเหตุมนสมควรแล้วมันก็ต้องสมผลแน่นอนในในอดีตนะในสมัย พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ไม่ทราบจําชื่อไม่ได้นะนานมาแล้วนะพระองค์ท่านไปไปตัดสอนสอนพราหมณ์ตนหนึ่งพราหมณ์ท่านก็แต่ก่อนก็ทําแต่สมาธินะพระเจ้าท่านก็เห็นว่าพราหมณ์คนนี้ยก็ไม่ดื้อดึงเกินไปพระเจ้าไปสอนพราหมณ์ให้อะไรให้ดูทุกสิ่งทั้งอย่างให้มันไม่เที่ยงนะสอนเรื่องความไม่เที่ยงให้กับพราหมณ์พราหมณ์เขาก็ไม่ดื้อนะเขาก็ มื่อมีพระ เ, เจ้ามาแนะนําสอนเรื่องความไม่เที่ยงพานตัวนี้เขาก็ดูดูสิ่งสิ่งอย่างเป็นความไม่เที่ยงนะแตจ่จิตเขาก็ยังไม่ได้ไดเข้าถึงมรรคผลนิพพานหรอกเขาก็พยายามดูไปเรื่อยๆเห็นนั่นก็ไม่เที่ยงเห็นนี่ก็ไม่เที่ยงเห็นกายก็ไม่เที่ยงเห็นจิตก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยจนทั่งหมดลมหายใจตายไปนะตายไปก็เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยบ้างภพใหญ่บ้างแต่ก็คง มีการศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะพอในพอในสมัยพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าสักสักยะโคโดมเนี่ยแหละนะเขาก็มาเกิดนะเขาก็มาเกิดเกิดเป็นเด็กชายคนหนึ่งชื่อสโสปากะพวกเราอาจจะเคยรู้จักแต่ว่าใครบรรลุธรรมเร็วที่สุดเนาะหรือว่าใครรู้ธรรมะ อใครเก่งด้านนั้นด้านนี้ก็คงมีศึกษากันอยู่แต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนรู้เท่าใดเพวกเรารู้ไหมใครที่บรรลุธรรมตั้งแต่อายุน้อยที่สุด อ, อายุน้อยที่สุดเลยนะอืมเป็นมนุษย์เนี่แหละนะเป็นคนเหมือนพวกเรา อ, ะอ่ะเด็กชายโสปากรนี่แหละเป็นมนุษย์ที่บรรลุธรรมอายุน้อยที่สุดเขาบรรลุธรรมตอนอยุทธใด หนึ่งขวบ <c oughs> เป็นทารกแค่หนึ่งขวบนะออแต่ก่อนเราว่าเจ็ดขวบนะเป็นสา ม, มเณรเจดขวบนี่ก็ว่าเร็วนะเรวัตานี่สา ม, มเณรอายุเจ็ดขวบบรรลุ ธ, ธรรมสา ม, มเณรหลายคนก็ประมาณเจดขวบก็บรรลุธรรมหลายคนแต่โสปากะเนี่ยแค่หนึ่งขวบนะอ่าโสปากะนี่เกิดมาก็พอสี่เดือนพ่อตาย พ่อตายกัมพาพ่อแม่ก็เดยได้พ่อเลี้ยงใหม่ก็คือน้องชายของพ่อนั่นแหละนะได้อาได้อามาเป็นพ่อเลี้ยงโสปากะนะอยู่กับอานะอยู่กับพ่อเลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงก็คงมีลูกนะคงมีลูกติดมาเหมือนกันพอเวลาโสปากะทะเลาะ ก, กับลูกนะพ่อเลี้ยงก็ไม่พอใจอยู่มาวันหนึ่งประมาณโสปากะประมาณขวบหนึ่งนะก็ แม่เผลอก็ได้เอ า, เอาโซปาการครับมัดกับศพแล้วก็ไปทิ้งที่ป่าช้ามัดไว้อย่างดีนะไปทิ้งที่ป่าช้าทิ้งไปแล้วหมาป่าก็จะมากินศพก็เห็นเด็กก็จะกินเด็กด้วยโสปากะอ า, ายุแค่ขวบหนึ่งก็กลัวกลัวหมาปา่าจะมากินตัวเองก็ร้องไห้เสียงดังเลยนะ ก็ได้ยินถึงพระพุทธเจ้าคงไม่ได้ยินด้วยเสียงนะแต่ได้ยินด้วยญาณ น, นะพระเจ้าท่านมีญาณที่จะรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นผู้มีบุญมาก่นะเป็นผู้ที่ได้ว่าพอจะรู้ธรรมะได้พระเจ้าก็เลยมาช่วยโสปากะนะบอกว่ามาช่วยแก้มัดนะด้วยด้วยอนุภาพของท่านแล้วก็บอกเด็กน้อยว่าอย่ากลัวหมาป่าเลยนะ่านะแล้วก็คงสอนโสปากะด้วยว่าเออทีอ่ถึงที่ยาวมันก็คงไม่เที่ยงนะนะ ร่างกายของเราก็คงไม่เที่ยงจิตใจก็ไม่เที่ยงเห็นไหมความกลัวเมื่อกี้น่ะความกลัวเมื่อกี้ที่เรากลัวตอนนี้ก็หายกลัวแล้วเห็นไหมโสปากะคงเห็นอันนี้อตาตมาคิดเองนะในหนังสือไม่มีบอกน่ะก็คงเห็นความไม่เที่ยงในจิตของตัวเองเห็นความกลัวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโสปากะก็เลยได้เป็นโสดาบันหนึ่งขวบนะได้เป็นโสดาบันและด้วยอนุภาพความรวเจ้าเอกอะก็เลย หลวงระกาก็มาไงไม่ตัวก็มานอนอยู่คันทักุตีของพระพุทธเจ้านะที่เชตวันมหาวิหารอนะก็มานอนอยู่ตรงนั้นแหละนะก็ก็ได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่หนึ่งขวบฝ่ายแม่ทําไงฝ่ายแม่พอเห็นลูกหายไปพอเห็นลูกหายไปก็ตามหาลูกหาที่นั่นที่นี่ก็ไม่เจอทําไงดีนะ้อนะก็เลยคิดว่ามีผู้ที่ เก่งอยู่คนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธองค์ดีดกว่าว่าลูกเราอยู่ที่ไหนแม่ก็เลยเดินเข้าไปหาพระพุทธเจ้าที่ทัน ก, กัปตีนะพระเจ้าก็ซ่อนโสปากะไว้ด้วยอิทธิฤทธิ์นะแต่จริงก็อยู่ข้างๆพระพุทธองค์นี่แหละแม่ก็กลับมาทูลถามถามโสปากะหายไปไหนพระพุองค์พอจะรู้หรือเปล่าพระพุองค์ท่าไม่ได้บอกว่าโสปากะอยู่ที่ไหนแต่ท่านสอน ท่านสอนมารดาโสปากะว่าอะไรท่านสอนว่าตัวเราเองก็ช่วยลูกไม่ได้จริงหรอกลูกเราก็ช่วยเราไม่ได้จริงหรอกแต่ละคนก็มีทางใครทางมันนะแม้จะห่วงหาอะไรกันขนาดไหนก็ไม่สามารถช่วยกันได้นะมารดาโสปากะเห็นอะไรเห็นว่าความห่วงนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาจริงหรอกนะมีแต่ทําให้เราทุกข์ขึ้นไปแม่ โสภะกะเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตวางความทุกข์ที่ยึดถือเรื่องรูปนะออกไปแม่ก็ได้เป็นโสดาวันนะโสภะนอนฟังพระพุทธเจ้าสอนแม่เหยียดงั้นได้เป็นพะระอะหาัน <c oughs> นะเป็นพะระอะหานันตั้งแต่หนึ่งขวบนะเป็นเรื่องดาวที่อัศจรรย์นะอัศจรรย์เราก็ไม่คิดเนาะว่าเด็กหนึ่งขวบบางทีอาจจะยังพูดไม่ได้เลยซ้ําแต่เขาสามารถฟังทำจนทั้ง รูธธรรมนะเป็นโสดาบันเป็นพาาระอรหันได้มันก็ไม่ใช่เกิดว่าเขาเพิ่งศึกษามาหนึ่งขวบนี่หรอกแต่มันเกิดจากอะไรเขาศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงมาหลายภพบหลายชาติแล้วนะตั้งแต่ต่อเป็นพราหมณ์ในสมัยอดีตพุทธกาลนูน่นนานมาแล้วเขาได้ศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงของกายแล้วก็ของจิตของตัวเองสะสมมาเรื่อยๆนะพอถึงชาติเนี้ยมันคล้ายๆมั น, ม, นมันเต็มมันเต็มพอได้ฟังธรรม ก็เห e he ็นทำตามตามที่พระเจ้าท่านแสดงทำนะเห็นว่ากายเนี้ยมันไม่เที่ยงเห็นว่าจิตนี้มันก็ไม่เที่ยงเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเราศึกษาลงไปแล้วก็เห็นตอนนี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวเรามีแต่สิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นนั่นเราก็ดูไปนะแม้แต่เด็กหนึ่งขวบเขาก็ยังมาดูทำได้นะแต่เราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครหรอกเราก็ถือว่าเป็นการ สสมความรู้ความเข้าใจของเราเองนะมันไม่ใช่การสะสมบา ร, รมีข้ามภพข้ามชาติแบบแบบที่ต้องไปรอชาติอื่นหรอกไม่ใช่แบบนั้นแต่เราสะสมความเข้าใจจนจิตก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละมันก็ไม่แน่นะไม่แน่หรอกว่าใครบางทีเด็กนะอาจจะรู้ธรรมะได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะบางทีผู้หญิงนะที่ไม่ได้บวชอาจจะรู้ธรรมะเร็วกว่านักบวชก็ได้นะมันก็ไม่แน่เพราะว่าสิ่งเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่า ปัญญาบา ร, รมีหรือว่าบา ร, รมีต่างๆที่เราสะสมมาในอดีตชาติก็ดีหรือชาตินี้ก็ดีมันมากน้อยขนาดไหนไม่มีใครตรวจได้นะเราเห็นกันแต่รูปประธรรมภายนอกแต่ธรรมะที่แท้จริงมันอยู่ที่ภายในก็คือจิตใจนะี่เรากลับมาเห็นมาศึกษาตัวของเราเองอะไรที่มันจะเห็นก็คือสติเนี่ยแหละมันจะเห็นเห็นทุกสิ่งอย่างมันไม่เที่ยงแม้แต่กุศลนธรรมก็ดีนะกุศลเช่นความสุขความสงบ ความสบายไม่แต่ศรัทธาไม่แต่ปัญญานะบางทีมันก็ไม่เที่ยงใช่ไห ม, มหรือบางทีเราปฏิบัติทำเราจะรู้สึกบางวันเราปฏิบัติดีดนะีปฏิบัติแล้วเหมือนเหมือนด้วยตัวต่อเนื่องแทบทั้งวันเหมือนใกล้เข้าถึงมรรคผลนิพพานละนะแต่พอวันต้อขึ้นมาเหมือนงวยดนนกนะไม่เป็นท้านะสติแบบไหนนอกรู้สึกตัวเป็นแบบไหน ตอนสงบหายไปไหนอ่าหายไปเมื่อใดก็ไม่รู้ไม่บอกลากันเลยอ่าแค่ข้ามคืนก็หายไปละอเดี๋ยวบางทีความไม่เที่ยงก็แสดงให้เราเห็นตอนเช้าเป็นแบบหนึง่งตอนกลางวันเป็นแบบหนึง่งตอนเย็นเป็นแบบหนึง่งตอนค่ำเป็นอีกแบบหนึง่งหรือบางทีมันก็แสดงภายในหนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งนาทีหรือภายในไม่กี่วินาทีมันก็เปลี่ยนแปลงให้เราแสดงเนี่ยเราก็ดูทุกสิ่งอย่างเอเมันก็ไม่เที่ยงของมันมันเป็นไปของมันเอง เราไปทุกข์เพราะอะไรเราไปทุกข์เพราะเราไปยึดว่าความไม่เที่ยงเป็นของเราใช่มหมหลังที่เราได้สวดมนต์ทำวัดตอนเช้าท่านบอกว่าว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์ขันมันมีอยู่เป็นธรรมดาเพราะพรุทธเจ้าก็มีขันก่อนที่ท่านจะปริปันนะน ะ, นะท่านก็มีขันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปุถุชนหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายก็มีขันเช่นเดียวกัน แต่ความทุกข์มันไม่ใช่เพราะว่าเรามีขันนะความทุกข์คือการไปยึดขันว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนะี่ยเราก็เห็นความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเราไปยึดนะเมื่อเรารู้ทันการยึดคือรู้ทันการอุปทานปติจะทำหน้าที่ในการคายนะเหมือนคล้ายมือเราไปจับของร้อนนะมันก็คายของมันเองใช่ไหมอืมแสดงว่ามือมันยังมีปัญญามากกว่าจิตด้วยซ้บางทีนะนะมือไปจับของร้อนไปถูกของ แหลมคมมันก็สะดุ้งมันก็ผักออกมาเองแต่จิตเราอะ่ะบทีไปจับของร้อนนะไปจับความทุกข์ไปจับอารมณ์ต่างๆมันไม่ยอมปล่อยนะมันมีแต่ค้าควรไข้ควรหาเหตุหาผลเอาถูกเอาผิดนะเอาชอบเอาไม่ชอบมันไปยึดนะไปยึดว่าเราไม่ดีทำไมมันคิดไม่ดีแบบนี้นะทำไมมันคิดดรามกแบบนี้ทำไมมัน คิดโกรธเข้าด้วยซ้ำนะล้วก็ไปเอาความคิดไปเอาอารมณ์มาเป็นตัวเป็นตนนะแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นเห็นแล้วจิตมันจะเป็นอุเบกขาเห็นแล้วแรอยู่เห็นแล้วจิตจะเป็นกลางกับสภาวะต่างๆจะเป็นกุศลเกิดขึ้นก็ตามอกุศลเกิดขึ้นก็ตามหรือสภาวะกลางๆที่เป็นอัภยากิตนะก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็เออใจเราเป็นกลางกับทุกสภาวะนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้อยู่เราก็ดับไปมีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีแต่สิ่งที่เป็นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนะ่ะจิตของเราก็จะเป็นกลางกับสภาวะต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เรามาฝึกสตินะเพื่อให้เกิดปัญญานะเราฝึกสติไม่ใช่เพียงแค่จบแค่สตินะแต่สติมันจะทําให้ก่อตัวสัมปชัญญะขึ้ น, นเรื่อยนะสัมปชัญญะจะสะสมไปเรื่อยจนช่งเป็นปัญญานะปัญญาคืออะไรก็คือการรอบรู้ในกองสังขาร นะไม่ใช่เป็นยาในรอบรู้เรื่องภายนอกแต่กองตังคานคืออะไกองร่างกายแล้วก็กองจิตใจนี่แหละหรือถ้าภาษาภาร์ทเียว่ากองรูปกองนามนะเราจะรอบรู้ความเป็นไปรอบรู้ความเป็นจริงของรูปและนามนี้ตามความเป็นจริงเมื่อมันดูละคราวนี้มันก็ไม่ยึดนะเมื่อมไม่ยึดมันก็วางมันก็ว่างมันก็เป็นปกติอันนี้คือมันเป็นลําดับลํานาเป็นขั้นตอนที่ที่เราฝึกฝนนะ ดังในทางพุทธศาสนาการจะเดินสติปัฏฐานนะมันจะนําพาให้เราเกิดปัญญาเห็นความจริงเหล่านี้นแหละแล้วก็เลยนํานําพาจิตใจที่มันเคยหลงงมงายต่างๆ ท, ที่ที่เคยโดนอวิชชาครอบงําที่เคยโดนกิเลสครอบงําที่เคยเหนียวแน่นนะในอุปทานต่างๆเมื่อมันมีปัญญาแล้วมันก็ถอนถอนเสียงต่างๆนั้นออกไปจากจิตใจนะ ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่กําลังของแต่ละคนที่จะทำนะทาได้มากก็ถอนได้มากทําได้น้อยก็ถอนได้น้อยทําอะไรก็คือการทําใจให้ยอมรับความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่แหละนะไม่ใช่ทําอย่างอื่นนะการทําความเพียรนนะก็คือการรู้จักทําใจให้ยอมรับความจริงนะการทําใจไม่ใช่เป็นการท่ำสอนใจโดยอาศัยคําพูดนะไม่ใช่ไปเทศสอนตัวเองภายในใจไม่ใช่แบบนั้นนะ การทำใจก็คือแค่รู้มันตามความเป็นจริงจิตใจที่รู้ตามความเป็นจริงเฉยๆนั่นแหละจิตใจมันจะเกิดความเข้าใจในสภาวะต่างๆอย่างที่มันเป็นแล้วสภาวะต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงให้จิตได้เห็นว่ามันไม่เที่ยอย่างไรว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างไรก็ดูมันไปพอเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นสภาวะที่มันบังคับไม่ได้ของมัน ใจิตใจก็เกิดการเรียนรู้นะเรียนรู้เกิดการสะสมปัญญาขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือการปฏิบัติธรรมทางนั้นดังนั้นการเจริญสตินะจะกระทําในการฝึกในรูปแบบก็ตามหรือว่าเราใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวันก็ตามหรือการพูดคุยกับผู้คนหรือทํทำการทำงานก็ตามเราก็าคอยตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆนี่แหละนะ่ะคอยดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่นเร่นดูไปสบายๆนะ่ะทาจริงๆนะทจริงๆ แต่ดูเล่นๆล่นนะหรือแบบสบายสบายไม่เอาถูกไม่เอาผิดกับมันนะทำไปเรื่อยๆนะยกมือบ้างพลิกมือบ้างเดินบ้างนั่งบ้างดูกายที่มันเคลื่อนของมันเองบ้างดูใจที่มันไหลไปของมันเองบ้างนะอันนี้คือปล่อยให้เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ไปประคองสภาวะใดไว้นะไม่ไปแช่ไม่ไปจมกับสภาวะใดไว้ไม่ไปกดไม่ไปคมกับสภาวะใดไว้นะปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดา ของกิเลสที่มันเกิดแต่เพียงแต่ว่ามีสติคอยรู้เท่าทันให้มันเร็วก็แค่นั้นนะรู้เท่าทันให้มันเร็วถ้าเราทําแบบนี้มันจะเป็นธรรมดาธรรมดานะไม่ไปปรุงภพของอขงเทวดาของนางฟ้านะให้ใจมันดีตลอดเวลาไม่ใช่ไปปรุงภพแบบนั้นไม่ใช่ไปปรุงภพของผมที่มันเฉยที่มันนิ่งนะที่มันสบายอยู่ตลอดเวลาอั้เป็นภพภูมิที่เรียกว่า จะทําให้เนื่นช้านะเนื่นช้าในการที่ปรุงแต่งกุศลไว้อยู่เสมอหรือว่าปรุงแต่งความเป็นกลางความเฉยไว้อยู่เสมอไม่ใช่นะเพราะว่าภพภูมของมนุษย์ของเรามีสุขบ้างมีทุกบ้างมีกลางบ้างมีเฉยบ้างเพื่ออะไรเพื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งอย่างมันเป็นของมันเองมันมีหลายแบบมันมีหลายด้านแต่แท้จริงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่มายาที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นเราก็ดูมันไปเรื่อยๆนะ แต่ทั้งมันเห็นว่าเออตัวเราที่แท้จริงมันไม่มีนะมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนามนะล้วก็ดูมันไปทําความเป็นจริงแบบนี้เนาะก็คิดว่าฝากไว้นะในเย็นวันนี้นะเราก็จะได้ไปทําความเพียรกันต่อในค่ำคืนนี้นะ